ท่านพ่อลีท่านซึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกมามากต่อมากแต่หน้าเสียดายที่กฎอนิจังเข้าทำลายแม่ท่านทำประโยชน์ให้โลกได้นานยิ่งกว่าเท่าที่เป็นมาแล้วแม้เช่นนั้นเราทั้งหลายก็ได้รับความร่มเย็นรู้สึก เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ปใจมานานตั้งแต่ได้พบท่านครั้งแรกมาจนกระทั่งถึงบัตรีนเพราะท่านผู้ดีหายากคนผู้ดีหายากพระที่ดีหายากศาสดาคือพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นผู้ที่หายากตั้งกับกับกันกันก็ไม่ได้ปรากฏมาแม่อคงพระองค์เดียว ท่านผู้สิ่งกิเลสที่เรียกว่าสังฆังสลังขจามิซึ่งเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของชาวพุทธหรือเหล่าศัพท์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่หายากท่านพ่อรีท่านก็อุตสาหพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านมีนิสัยเด็ดเี่ยวอกหารชานชายัยมากในการประพฤติปฏิบัติและท่านเคยเป็นลูกศิษย์ ของหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่เริ่มแรกโน้นจนกระทั่งในพัดพรากจากกันทั้งหลวงปู่มั่นและองค์ท่านเองก็เคยไปมาหาสู่กันอยู่เสมอดูว่าเท่าที่ได้สังเกตในเวลาท่านไปกราบน้ำมัสการหลวงปู่มั่นที่วัดป่าหนองผือนั้นรู้สึกว่าหลวงปู่มั่นท่าน สแสดงอากัปกิริยาเต็มไปได้วยความเมตตาอย่างมากมายที่เห็นได้อย่างเด่นชัดแม้ท่านจะไม่ได้พักอยู่วัดป่าน้องถือเป็นเวลานานก็ตามแต่สถานที่ให้พักสำหรับท่านพ่อลีเหล่านี้ท่านเป็นผู้สั่งเองว่าให้ไปจัดที่นั่นที่นั่นให้ท่านรีได้พักสบายสบาย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 นี่ก็เป็นเหตุไม่ให้ลืมเพราะเหตุใดเพราะหลวงปู่มั่นนั้นแสดงอาการอันใดออกมาย่องเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างไม่สักแต่ว่ากิกริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความหมายนี่ท่านพ่อลีก็เป็นลูกขิตองค์สําคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นเราท่านจะมาทําประโยชน์ ทางภาคนี้อยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งได้มรณภาพลงที่วัดอโศการามของพวกเราทั้งหลายเวลานี้จึงเป็นเหตุให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ระลึกนึกน้อมถึงท่านในวันเวลาที่บรรจบครบรอบแห่งวันมรณภาพของท่านจึงต่างท่านต่างอุตส่าหมาจากสถานที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลมาได้คำหนึงถึง ความชิ้นเปลืองแม่ที่สุดอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางมากราบนมัสการท่านให้สมใจนั้นก็ยอมเสียสละทั้งนั้นดังพี่น้องทั้งหลายมาเวลานี้เป็นจำนวนมากต่อมากดูจะไม่ค่อยมีที่ไหนปรากฏดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยข้างนอกก็เต็มข้างในก็เต็มชั้นล่างก็เต็มชั้นที่สอง ขึ้นมาก็เต็มยิ่งชั้นที่สามด้วยแล้วเต็มไปหมดทั้งพระทั้งเนนทั้งคารวะญาติโยม <c oughs> ทุกขั้นทุกภูมิมาด้วยความนึกน้อมและเลือกถึงองค์ท่านและวันนี้พี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระฝ่ายเนรคารวะญาติโ ย, ยมจะได้ยินได้ฟังอัดรมตามการตามเวลาประการหนึ่งสำหรับผู้แสดงก็ไม่ค่อยได้มีเวลามา กราบนมสักการท่านในวันคำรกหรือในวันร อ, อ, บ, รอบมรณภาพเช่นนี้บ่อยนักนานๆจึงเนีมาครั้งหนึ่งวันนี้จึงได้ถือโอกาสมาเพื่อกราบเยี่ยมท่านและได้พูดธรรมะอันเป็นเครื่องลึกสาคัญให้แก่พี่น้องทั้งหลายฟังจึงกรุณานำอัดและจึงกรุณา ตั้งอกตั้งใจฟังอัตธรรมด้วยความสงบใจอย่าได้เป็นกังวลกับสิ่งใดซึ่งใจนั้นเป็นนักกังวลเคยก่อควรตัวเองอยู่เสมอเรื่อยมาแม่ที่สุดในขณะที่ฟังเทศก็ไม่ไวายที่จะมารบ ก, กวนจิตใจในขณะนี้จนได้ทําให้ไม่ได้ท่อดได้ความในการฟังอัตฟังธรรมเพราะกิเลศมันเข้ายื้แย่งแทงดีฉุดลาก ความคิดความปรุงของเราให้ไปในแถวทางของมันเสียโดยมากต่อมากที่จะล่วงไหลธรรมที่จะร่วงไหลเข้าสู่จิตใจด้วยการเปิดรับโดยความมีสตินั้นจึงมีน้อยเมื่อ <c oughs> <c oughs> สติมีน้อยการเปิดรับธรรมทางความรู้สึกของเราก็มีน้อยธรรม ท, ที่ท่านแสดง หนักเบามากน้อยเพียงไรในแง่อนิธรรมต่งางๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าอกเข้าใจพอได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์วันนี้จึงขอเชิญพี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระฝ่ายเนรให้ตั้งใจดูด้วยความเป็นปัจจุบันนักจิตเป็นปัจจุบันนธรรม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 เป็นผู้แสดงอุบายวิธีการต่างๆความรู้ความเห็นต่างๆที่ทรงนำมาแสดงแก่สัตว์โดกนั้นไม่มีผู้ใดจะสามารถอาจรู้ได้เหมือนความรู้ความเห็นจากพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้านั่นเลยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าภูมิของพระพุทธเจ้า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 คือผู้ที่ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอก็เป็นการเบริกทางให้ในการได้ยินได้ฟังนั้นได้ก้าวเดินไปตามโดยลำดับํำดากรขยับขึ้นไปสุดท้ายก็ผ่านค้นไปได้เรื่อยๆผู้ที่ฟังมีจานวนมากขนาดไหนจิตใจไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันแต่คำว่าจิตเท่านั้นแต่ความสามารถแะกล้าในตามอุปนิสัยของแต่ละรายละลายของจิตนั้นต่างกันเพราะฉะนั้นจึงต้อง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 ก็สามารถได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับมนุษย์เรายิ่งมากกว่านี้เป็นจำนวนมากมายดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในตำลับตำราด้วยเหตุนี้เองธรรมคำจั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมชาติที่สดจดร้อนๆพระหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่กับพระโอวาททุกบทุทบา ท, ทุกแง่ทุกมุมเราอ่านเรา ไกลกรองไปตามบุตรใดบาทใดแห่งธรรมทั้งหลายก็เท่ากับเราได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะธรรมเหล่านี้เป็นสวากขาตธรรมพระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วในธรรมทั้งหลายตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิมุติดุจพ้นเป็นธรรมที่ทรงแสดงแล้วด้วยความชอบธรรมไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อย ถึงพระองค์จะปริพานไปสักนานเท่าไรก็าตามแถวทางที่ทรงแสดงเอาไว้หรือคุยหมายป้ายทางที่ได้ทำเอาไว้นั้นเป็นความถูกต้องอยู่ตลอดไปจึงเรียกว่าอากาลิโกเป็นธรรมที่หาการหาสมายัยหาวเวลาไม่ได้ไม่เคลื่อนจากความจริงผู้ปฏิบัติตามจึงต้องได้รับผลประโยชน์โดยลำดับลำดา ทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ทั้งที่พระพุทธเจ้าปริพานธ์ไปแล้วเพราะพระโอวาสนั้นเป็นศาสดาแทนพระองค์ด้วยเหตุนี้พวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมจึงกรณาสนใจปฏิบัติตัวเองนี่เป็นของสำคัญทำทั้งหลายที่จะเจริญหรือเสื่อมนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติคือพุทธบริษัทของเรา ภิกสุบริษัทอุบาสกอุบาสิกาบริษัทนี่แหละเป็นของสำคัญผู้จะยังศาสนาให้เจริญก็ดีผู้จะยังศาสนาให้เสื่อมก็ดีคำว่าศาสนาเจริญคือเจริญทางด้านจิตใจเป็นผู้ใถ่ต่ออัตต่อธรรมถ้าพูดถึงเรื่องศีลก็เป็นผู้รักษาด้วยความเข้มงวดกวดขันในศีลทั้งหลายฝากเป็นฝากตายไว้กับศีลของตน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 ย่อมเป็นความบบอุ่นในการบำเพ็ญไม่มีความลักแค่รักข่ายการบำเพ็ญจิตใ จ, จ ย, ย่อมไม่สายแสเรื่อยล่อนหรือเป็นกังวลกับข้อวินัยข้อใดการปฏิบัติย่อมมีความสงบร่มเย็นได้ง่ายใจย่อมเป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิใจก็มีความสงบใจมีความสงบย่อมแสดง ความแพวพราวความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาในวงแห่งสมาธิของตนแม้จะยังไม่สว่างกระจ่างแจ้งเหมือนขั้นปัญญาก็าตามเพียงขั้นสมาธินี้ก็ทําให้ผู้บําเพ็ญผู้ได้เห็นผลแห่งการบําเพ็ญสมาธินั้นได้รับความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งใดในโลกที่เคยผ่านมาในบรรดาความสุขความอัศจรรย์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดอยู่กับอิจ ซึ่งเป็นสมาธิในขณะนั้นนี่แหละทำท่านบอกว่าสมาธิธรรมเจริญที่ตรงนี้ศีลก็จเจริญที่ผู้รักษาและสมาธิก็จเจริญที่ผู้บำเพ็ญสมาธิจากสมาธิและเราบำเพ็ญปัญญาคําว่าปัญญานั้นคือความเฉลียวฉลาดความรอบคอบความทินิษพิจารณาคิดอ่านตราตรองตามท่าตามขันตามสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายน์ม่ภา ย, ใ, า ย, ภายใน รวมลังลงในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอาสุภะอาสุพังนี้เป็นทางเดินแห่งจิตที่จะให้มีความกว้างขวางในความรู้ความฉลาดความสามารถความแยบ่ายทั้งหลายท่านก็สอนไว้อย่างนี้ทีนี้เมื่อจิตของเรามีความสงบเยือกเย็นจิตย่อมไม่หิวโหวยในอารมณ์ต่างๆในทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเป็นอารมณ์ของโลก ขอเกิเลสตัณหาล้วนๆจิตเมื่อมีทำเป็นเครื่องดื่มแล้วย่อมไม่หิวหงุดกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าจิตอิ่มตัวอิ่มตัวคืออิ่มอยู่กับความสงบเย็นของตัวเองจากนั้นก็พาจิตทํางานทํางานคือการพินิจพิจารณาดังที่ท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาคืออย่างไร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 เฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาปัญญาของผู้ที่บำเพ็ญทางสมาธิให้เป็นไปแล้วส่วนมากมักจะพ้นคว้าทางร่างกายของตัวเองแล้วก็เทียบเคียงกับสิ่งภายนอกเข้ามาสู่ภายในเช่นยกตัวอย่างว่าอ น, นีอ่ว่าเกศาลุมานาขาทันตาแตโจนี้เป็นอย่างไรจําเป็นอย่างไรท่านจึงสอนอย่างนี้ นี่แหละคือธรรมจำเป็นของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนโลกให้ถูกจุดที่หมายให้ถูกจุดสำคัญของโลกที่ติดที่พันกันอยู่ตลอดเวลาจิตทุกดวงไม่ได้พ้นจากพันนี้ไปได้เลยไม่ได้ผ่านอาการเหล่านี้ไปได้ติดกันตั้งนั้นรักก็รักสิ่งเหล่านี้ชังก็ชังสิ่งเหล่านี้เกลียดโกรธก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสำคัญอยู่ภายในจิตใจฝังลึกอยู่ภายในจิตใจให้ แสดงความโกรธความหึงความหวงออกมาก็เพราะสิ่งเหล่านี้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสแสดงให้ทราบชัดในจุดสําคัญและให้ไปคลี่คลายขยายออกไปเพื่อจะได้รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แนละจิตจะได้ถอนตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวต้องตัวไม่พึ่งพิงอิงอาศัยกั บ, กบปนบนนบืนกับไปในบรรดาสิ่งเหล่านี้ที่เกาะปืนกอะไปให้เราในขณะที่ลุ่มหลงกับเขาใจจะได้หดตัวเข้ามา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 พิจารณากำหนดอนาปานสติในขั้นเริ่มแรกพอจิตสงบเย็นเข้าไปเท่านั้นจิตก็สามารถแทงทะลุไปถึงปุเพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติย้อนหลังของพระองค์ว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันได้ตลอดทั่วถึงไปหมดว่าพบใดชาติใดเคยเกิดเป็นอันใดอันใดพระองค์ทรงทราบไปหมด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 บาปนี้เคยมีมาตั้งเดิมพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาตรัสลูก็ต้องมาสอนเรื่องของบาปเพราะสัตว์ทั้งหลายทุกค์เขาอยู่กับบาปกับความทุกข์เขาอยู่กับความทุกข์ควาํานาจแทงบาปนี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสลูก็มาเปิดเผยออกให้ทราบว่าบาปมีอย่าทําบาปความความทําบาปนั้นเป็นสาเหตุให้ไปตกในสถานที่เด็กทุกได้รับความทุกข์ความยากความลาบากถึงขั้นมหมหันแตทุกมีมากมายเช่น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 จิตวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับผลประโยชน์จากพระพุทธเจ้านั้นนับจำนวนไม่ได้เลยเมื่อท่านปฏิพาน์ไปแล้วก็เหมือนกับปิดหูปิดตากิเลสก็สนุกเปิดทางให้ทำความชั่วช้าละโมกทั้งหลายและสร้างแต่บาปแต่กรรมให้ได้เกิดความทุกข์ความทรมานจากจิตใจของตนอยู่เรื่อยมาอย่างนี้นี่ถ้าว่าไม่มีาศาสนาเป็นเครื่องบาเพ็ญเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนแล้ว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 โดยเหตุนี้ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของจําเป็นสําหรับที่จะมาฉุดมาลากมาคัดค้านต้านทา น, ทานความชั่วทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของเราอย่าให้สร้างไม่ให้สร้างความชั่วทั้งหลายให้สร้างความดีความดีนั้นเบื้องต้นย่อมสร้างยากทำยากเพราะกิเลสมันหนานแน่นเราจะทําอะไรกิเลส จ, จะเข้ากีดกันห่วงห้ามไว้เสีย ถึงกับไม่ได้ทำก็มีล้มเหลวไปตามชีเิตนั้นมีมากมายไก่กองนี่ในขั้นเริ่มแรกของผู้สร้างความดีเฉพาะ อ, อย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสาคัญมากทีเดียวเราฝึกหัดภาวนาตั้งทั้งที่จิตเราอยากให้เป็นมีความสงบเยือกเยน็นอยากให้ได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นสวรรค์นิพพานเห็นบาปเห็นบุญอยู่ภายในจิตยอย่างประจักษ์ถึงขนาดนั้นเวลาเราทาลงไป กิเยสมันยังไปทุบไปตีไปขัดไปแย้งให้ล้มเหลวไปได้ภาวนาเลยไม่เป็นทาเป็นไปตามอารมณ์ของกิเลสแทนที่จะภาวนาให้มีความสงบเย็นกลายเป็นความพุ่งสร้างลำคาญไปเสียหมดโลกชาตินี้กว้างแสนกว้างจิตใจวิ่งไปได้ตลอดทั่วถึงล้วนแล้ตั้งแต่ไปได้วยความรุ่มหลงไปได้วยอำนาจของกิเลสมันถูดลากไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ แล้วแล้วสุดท้ายก็หาความสงบไม่ได้เมื่อหาความสงบไม่ได้แล้วกิเลสก็สร้างความพอใจให้อีกทำอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์แล้วเรานอนจะดีกว่าเนี่ยหรือไม่ทำจะดีกว่ามันก็ล้มเหลวไปอีกเป็นขั้นเป็นย่าเป็นที่สองก็ไปอีกเนี่ยกิเลสทำลายเราเป็นอย่างนี้ในขั้นเริ่มแรกมักจะเป็นเสมอหรือเป็นเสมอนี่จะพะผู้บาเพ็ญจิตภาวนาเป็นได้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 แล้วมีความเชื่อความเริ่อมใสในผลของตนคือความสงบเยอกเย็ยนนั้นขึ้นไปโดยลำดับลาดับแล้วความเพียรก็ค่อยไหลผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาความอุ้าพยายามความมีสติสตังก็เริ่มตั้งมาพร้อมๆกันทีนี้ความที่เคยพุ่งสร้างํำคานก็ยก็น้อยลงน้อยลงความสงบเยอกเย็ยนที่ปรากฏภายในใจของเราอยู่แล้วก็เยือกเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้น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 สามารถที่จะรู้ในสิ่งต่างๆพวกเปรตพวกผีพวกอะไรก็แล้วแต่เทวบุตรเทวดาในขณะที่เราเริ่มรู้ในจิตใจของเรากับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมเป็นพยานเป็นสักขิพยานต่อความรู้ความเห็นความแสดงไว้แห่งธรรมทั้งหลายของผู้ทีเจ้าเป็นลําดับลําดานี่คือความรู้ที่ปรีด ย, ย่อยไม่ใช่ความรู้ที่ฆ่ากิเลส แต่ออกจากด้านปัญญาคือเป็นขแขนงของปัญญาตามอุปนิสัยสามารถของแต่ละหลายหลายที่จะรู้จะเห็นต่อไปส่วนเรื่องปัญญาที่จะฆ่ากิเลสนั้นเป็นปัญญาที่รู้แจ้งในธาตุในขันในกฎของอนิจจังทุกขตตาอจุภะสุพางแจกมชัดเป็นเป็นลําดับลําดาแล้วปล่อยวางเข้าไปปล่อยว่รู้ตรงไหนปล่อยวางเข้าไปรู้ตรงไหนแล้วทิ้งพูดง่ายว่าปล่อยลงปล่อยลงเพราะเป็นภาระที่หนัก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 ทำไมจะไม่เชื่อการภาวนาการธรรมจิตใจว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงทำอย่างไรมันก็กระจายไปหมดในความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วพอมากระเทือนกับหัวใจของเราผู้ทำซะเองผู้รู้ซะเองเห็นซะเองตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้ก็ย่อมเป็นสักขีพยานกันได้เป็นอย่างดีแล้วมีความพยันหมั่นเพียรถึงขั้นปัญญาแล้วเรื่องของกิเลส อาสวะประเภทต่างๆที่เคยกีดเคยขวางการดําเนินของเหล่านั้นนับวันที่จะล่อยหลอลงไปล่อยหลอลงไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่การเจาะการสแสวงหาที่ที่จะฆ่ากิเลสตัวใดที่เป็นข้าตึกต่อจิตใจใจยังมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดข้องมีความรักความชังอยู่ในจุดใดในสิ่งใดสติปัญญาย่อมจะสอดแทรกเข้าไปในจุดนั้น ในสิ่งนั้นจนกระทั่งทะลุปูปโปรงขาดพัทงทลายลงไปโดยลําดับลําดาในจิตทั้งดวงนั้นจะมีตั้งแต่เรื่องของสติปัญญาหมุนตัวรอบอยู่ตลอดเวลากิเลสจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อถึงสติปัญญาขั้นเช่นนี้แล้วนั่นแหลเรียกว่ากิเลสค่อยหมดไปหมดไปทีนี้ความขยันมันเพียรเราไม่ต้องบอกหัวใจทั้งดวง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 สิ้นเชื่ออไปเสียโดยไม่มีเหลือเลยนั่นเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะทําให้เสร็จสิ้นในภายในขณะนี้ขณะนี้เป็นลาดับไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญามีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นที่จะม้วนเสือ่อกิเลสให้สิ้นซากลงไปจากจิตใจในขณะเดียวกันก็จะม้วนเสือของภกของชาติอันเป็นเรื่องอาบคลองทุกข์ล่าให้สิ้นซากไปในขณะเดียวกันเช่นเดียวกัน จิตใจจึงมีความขยันหมั่นเพียรเอามากมายนี่เราจะไปคาดที่ไหนเราก็ค่าไม่ได้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบตัวเองขอให้จิตใน9้าเข้าสู่สมาธิให้เห็นเถิดและจากนั้นก็ให้ก้าเข้าสู่ปัญญาปัญญาในขั้นใดภูมิใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วอย่างไรจะมาประกาศกังวานอยู่ที่หัวใจของเราซึ่งกําลังทํางานอยู่ด้วยสติด้วยปัญญานี้เองจะไม่ประกาศอยู่ที่ไหน ชักขี่ปัญญาของธรรมทั้งหลายก็คือใจนี่แหละกิเลส ก, ก็กองอยู่กับใจเมื่อชำระกิเลสด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสําคัญแล้วกิเลส ก, ก็จะค่อยพังลงไปจากใจเสื่อมลงไปจากใจหมดไปจากใจสติปัญญาก็จะสร้างตัวขึ้นมาให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งรอบหัวใจของเรานี่แสดงอยู่ภายในจิตใจนี่ทั้งกิเลสทั้งธรรมเห็นประจักษ์อยู่ภายในจิตใจของเราใจของเราจึงเป็นเหมือนเบที สู้ ก, กันกับกิเลสร่างกายก็เป็นเบทีประเภทหนึ่งระหว่างกิเลสกับธรรมที่อยู่บนหัวใจก็ย่นเข้าไปเป็นเบทีต่อ ก, กอนกันอย่างเต็มที่ด้วยสติปัญญาอันเปียงไายเมื่อสติปัญญาอันเปียงกายได้เกิดขึ้นแล้วเพราะความเชื่อความสามารถของตนแล้วกิเลสจะมีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ประหนึ่งว่าจะสิ้นซากภาในไม่ช้าในไม่ช้าสร้างความหังให้ตน แน่นเข้าแน่นเข้าโดยลำดับลำดับนี่ที่นี่ความพยันหมันเพียนเต็มหัวใจคำว่าขี้เกียจขี้ค้านความมาท่อถอยน้อยใจหมดไปหมดไปจนกระทั่งไม่มีเหลือ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 เรายอมรับในหัวใจของเราทําไมเราจะาปฏิเสธพระเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาได้ลงคอมีแต่จะหมอบกราบลากราบลาเพลาออนั้นนี่แหละผู้ปฏิบัติเชื่อทำเชื่ออย่างนี้ท่านเรียกว่าเชื่อในหัวใจเชื่อจากการรู้การเห็นของตนจากการปฏิบัติของตนผิด ก, กันกับเชื่อในตำลักตาราการเชื่อในตำรักตารานั้นเป็นความเชื่อประเภทหนึ่ง ที่วางรากฐานไว้ให้เราก้าวเดินตามศรัทธาความเชื่อในตำรับตํารานั้นเพราะตําลับตําราท่านแสดงไว้โดยถูกต้องอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเรายังไม่เห็นเราจึงเชื่อด้วยความคาดความเดาไปก่อนก็ไม่ผิดจะผิดอะไรตั้งแต่เราเชื่อที่เลสกิเลสมันตัวจอมปลอมที่สุดเรายังเชื่อมันได้ลงคอถึงกับให้มันถลุงอยู่ทั้งวันทั้งคืนได้นี่ น, นี่เราเชื่ออาอรยธรรมของพระเจา้าตามตําลับตําราจะเสียหายไปตรงไหนก็เชือ ก็ถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าถูกต้องในขั้นนั้นยังไม่ถูกต้องในขั้นสนิทตายใจจริงๆเหมือนเราได้รู้ได้เห็นขึ้นภายในจิตใจของเรานี่อันถ้าเห็นดังนี้แล้วเป็นอันว่าแน่ธัาวัชรทิติโกอันนี้ก็พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วว่าสันทิติโกเอหิปัฏติโกนั่นท่านพูดไว้แล้วในบทธรรมสันทิติโกประกาศกลางวานอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละท่านว่า เบตโบรินยูฮิท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำพาอตนแล้วกัสันทิติโกโก็จะเห็นจำพาอตนประจักษ์จำพาอตนนั้นแหละผู้ไม่ปฏิบัติจะไปรู้ได้ยังไงก็เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะลบล้างของกิเลสได้อย่างไรนี่แหละทีนี่เน่พูดถึงเรื่องของกิเลส มันมันหมดไปมากน้อยเพียงไรเนี่ยหัวใจก็รู้ชัดๆว่าหมดไปมากน้อยเพียงไรสติปัญญามีความเปรียงไกลขนาดไหนมีความสามารถอาจหารขนาดไหนก็รู้ในหัวใจของเรารู้ในหัวใจของเราจนกระทั่งขอสรุปเอาเลยว่าจนกิเลสมันม้วนเสื่อไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่จะให้สังหารกันอีกเลยทําไมจะไม่รู้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถลม่มเมื่อกิเลสมันได้พังลงประจักษ์หัวใจแล้วก็เป็น ธรรมชาติหนึ่งขึ้นมาจึงเหมือนกับว่าฟ้าดินถล่มกิเลสได้พังลงจากหัวใจเรียกว่าโลกธาตุวันไหวดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจากกับประวัฒนศาสตรนั้นเป็นยังไงเทวดากี่ชั้นกี่ภูมิจงถึงชั้นถมกระเทือนกันไปหมดในขณะเดียวกันนั้นที่พระพุทธเจ้าได้แต่สูดแล้วนั้นใช่ไหมนี่เราก็เห็นในตนลับตำราแต่ถ้ามมันเห็นในหัวใจของเรานี่อีกสิเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเมื่อเห็นในหัวใจของเราแล้ ว, ลวหายสงสัย ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยนี่คือผู้ทรงอัดรงธรำทรงอย่างนี้เป็นทรงตามแนวตามแถวของจัตตดาของของพระสาวกทั้งหลายท่านทรงท่านรู้ท่านเห็นผู้นี้และเป็นผู้เชื่อตนเองได้เรื่องพบเรื่องชาติเคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่พบกี่ชาติกี่หมืน่นกี่แสนกี่กับกี่ล้านมันจะบอกอยู่ในหัวใจดวงนี้ทั้งหมด ว่าขาดมาแล้วมากน้อยเพียงไรด้วยการชำระด้วยการจัดสางด้วยการสังหารจิเลสเมื่อหมดเข้าไปหมดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีเหลืออวิชชาปัจญาสร้างคาราที่เป็นเชื้ออันสำคัญฝังอยู่ภายใน จ, จิตใจอย่างจ ม, มิดนั่นก็ได้ถูกถอดถูกถอน อ, ออกมาโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับเราถอนต้นไม้หมดทั้งรากแก้วทั้งมันแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่จาเป็นจะต้องไปถอนมันมันก็ตายไปหมด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 ผูนั้นจะไม่ถามพระนิพพานเช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าตรทรงสแสดงแล้วพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาท่านในถ้ำกลางพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่ทรงไว้ทึ้งสุขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วนี้นับว่าเป็นผู้มีวาสนาบุญญาพิจมพานขอให้ได้อุตสาหพยายามสร้างคุณงามความดีของตนไว้แม้จะไมะ่ได้สิ้นพบสิ้นชาติในปัจจุบันชาตินี้ก็ตามความดีย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมเราให้ไปเพื่อ นจากความเกิดแก่เจ็บตายถึงบร ม, มสุขด้วยกันทางนั้นนี่เป็นของสำคัญจะเพราะอย่างยิ่งพระของเรานัาปฏิบัติของเรานี้ให้มีความหนักแน่นต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาเถิดจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอาจซึ่งทมเช่นเดียวกับครั้งพูตธการที่ทปพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตบกบต่างกันเลยเพราะสวัค า, ารธรรมจัได้ชอบแล้วเช่นเดียวกัน ดังที่ท่านแสดงว่าศีลปริภาวิตโตสมาธิมหาปโลโขติมหานิสรงโซนผู้มีศีลรักษาศีลลงตนด้วยความบริสุทธิ์ย่อมไม่มีไม่มีความระแวงแครงใจกิตใจย่อมมีความอบอุ่นจะบำเพ็ญสมาธิเขาไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดสมาธิย่อมเป็นลงได้ง่ายนยีสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปลาโหติมหามหานิสรงสร้างสมาธิที่ปัญญาเป็นเครื่องสักฟอกเป็นเครื่องอบรมแล้วปัญญาที่สมาธิอบรมแล้ว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 จิตที่ปัญญาซักพอกแล้วย่อมสิ้นจิเลสโดยชอบฟังคือไม่ไม่สิ้นจิตเล็โดยที่ว่าความเข้าใจผิดสิ้นจิเลสโดยชอบธรรมสัมเด็จวะอาสวีมุจติย่อมสิ้นจิเลสโดยชอบทำมม เ, าา น, เทำนี่ยอยู่กับเราทุกวันเวลานี้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นผู้จะทรงธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไว้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ แล้วอาจทําท่านแสดงไว้ตามตําลับตําราก็ดีตามเทปก็ดีอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็แน่ใจว่ามีเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เราจะยึดไปประพฤติปฏิบัติได้ให้ชาระจิตใจของเราเราจะเห็นสิ่งใดว่าเป็นของสําคัญมากกว่าศีล ก, กว่าธรรมกว่าวิมุตติบุญพ้นภายในจิตใจของเราอันนี้เลิศประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยการบุญพ้นพระสาวกทั้งหลายเลิศ ด, ด้วยการบุญพ้นไม่ใช่เลิศ ด, ด้วยการทัวพันธุ์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 เมื่อเรามีธรรมาสมบัติอันนี้เต็มหัวใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายเลยตายก็ไม่มีความผงใหญ่เสียดายกับสิ่งใดเพราะนี้เป็นเพียงธาตุเพียงขันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ไหนมันก็มีดินน้ำลมไฟเดินไปที่ไหนเต็มไปด้วยดินน้ำลมไฟในร่างกายของเรานี้ก็มีดินน้ำลมไฟถ้าใจบริสุทดแค่อย่างเดียวท่านั้นก็เพียงครองกันอยู่รับผิดชอบก็อยู่ในวาระที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านั้นพอหมด เรื่องราวที่จะสืบต่อกันไม่ได้แล้วก็สลัดทิ้งเสียเรียกว่าตายความเกิดความตายของผู้สิ้นจิตเลนแล้วย่อมมีน้ำหนักเท่ากันไม่เป็นกังวหลห่วงใยกับความเป็นอยู่ความตายไปอะไรทั้งสิ้นเพราะธรรมชาตินั้นเรียกว่าพอคือใจที่บริสุทธิ์นั่นแลเป็นใจที่พอเมื่อสรุปความลงแล้วไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าคําว่าพอดีเข้ามาเกี่ยวข้องก็พอแล้วไม่เอาชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องก็พอแล้วไม่เอา มีความพอแล้วนี่เป็นสิ่งที่เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนี่จิตที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นจิตที่พอตัวเต็มที่อยู่แสนสบายตายไปก็เป็นสุขจะตายณียาบุใดท่าใดตายได้เท่านั้นบรรดาท่านผู้เป็นพระรหันท่านไม่ต้องเลือกการสถานที่เลือกท่าเลือกทางว่าจะต้องตายท่านั้นท่านี้จะต้องตายียาบุนั้นียบุตรนี้แต่จะต้องตายด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ท่านไม่จําเป็น ท่านปฏิบัติตามอธัธยาศัยของท่านที่เหมาะสมในวิธีการใดเท่านั้นและท่านก็ปฏิบัติ ด, ดังที่พ่อแม่คุณอาจารย์มั่นท่านสแสดงไว้ในประวัติของท่านนั้นว่าพระอรหันต์บางองค์ยืนนิพพานก็มีเดินนิพพานก็มีคือยืนตายก็มีเดินตายก็มีนั่งตายก็มี น, มนอนตายก็มีนะ่ะเพราะเพราะอะไรยิ่ยาห่างการยืนการเดินการนั่งการนอนนั้นมันเป็นเรื่องของาธาตุของขัน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 ก็เห็นชัดๆขาดจะบั้นอยู่ภายในจิตใจนี้ว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อแล้วเหลือตั้งแต่บรมมาสุขเหลือแต่ความพอแล้วอย่างเดียวเท่านั้นเต็มพอใจแล้วจะอะไรมาสืบต่อให้เป็นพบเป็นชาติไปอีกนี่เราท่านเรียกว่าสันทิฏิโกอันสุดยอดสุดที่ตรงนี้จึงขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเดินนาประพิัิญพิจารณาเพื่อให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองในหัวใจของผู้ปฏิบัติเราให้ได้ชมคําว่าสมาธิเป็นยังไงสมาบัติเป็นยังไง มรรคผลนิพพานเปียังไงพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไ้แล้วทุกแง่ทุกมุมเต็มแบบแผนตำรับตาราแล้วต่อจากนั้นค่าน้อมเข้ามามุปฏิบัติให้ทำทั้งหลายเ<ม>อ็มในหัวใจแล้วเราจะอยู่สบายแสนสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายได้มาพบสมาคมกันโดยอาศัยท่านพ่อดีเป็นจุดศูนย์กลางให้พี่น้องทั้งหลายได้มาจากที่ต่าง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 นี่เป็นข้อที่เราจะนำมาพิสูจน์กับตัวของเราแล้วต่อสู้ขกิจให้ได้ผลได้ประโยชน์เรื่อยไปในวันหนึ่งๆอย่าให้เสียวเวลาันเวลาแนวสารการแสดงธรรมนี้ก็เห็นมาสมควรเจรเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทินเหนื่อยวันนี้เหนื่อยอาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตูสเพปูเรนตูสังกะปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัชันตูสัพพโรโค วินาศตุมาเตผวัตมันตราโยสุขีที่ฆาุโกโภพะอภิวาทนาศิริสนิจังหุทธาปจายิโนจตารโรธรรมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลาัง